เสียงอะไรเขากระโหลกกระล่าเขากระมวนพ่อเขาก็ไเนี่ยโลกมันเลเป็นยุงีิมือนึ้งเป็นนางโยบานเขาแหย่ยังมากกร ะ, ะโโบหัะผ่านหน้าบ้านมาเรื่องถึงนางมาเรื่องถึงนางมาเรื่องถึงนางก็จะทั้งห้ทั้งหิวยืนในตลาดอ้าวก็เลยถามโอ้โหรอยนี่ยลายแนวนอ้อป่ะโอ้ขั้นบนมีอย่างสี่คนกันนงังยนในตลาดก็จะเครียดก็จเป็นบ้ามาถีบมาแดดลงพอจัน อันนี้เขาบาเครื่องค่ายเครียดหลวงพ่อได้ยงนก็หลวงพ่อก็นึกขำมันคือคืยอยวนไปเครื่องค่ายเครียดวนไปข้าน้ว่าบ่มีอย่างนั่งจุบุกนา่งจิกปกอยู่บดิขายของออกไปเขียดเขาเขียดเขาจะเป็นบ่ามดบานมัดเมื่อวันไปหมีอย่างผ่านหน้าผ่านตาโมลึงตึงนั่งลึงตึงนั่งโมลึงตึงนั่งเลก็เลยเซิงเงอคอบางพ้อเครียดก็หายไปวน อันนี้กัเนี่ยวัลลภปกปกเพราะวัปกปกเนี่เครื่องไข่เครียดของเครื่องอยู่ของชาวบ้านมดไปเครื่องไข่เครียดมันไปการสานบ้นปกนั้นหนาเําเขางเงำําเครียดก็เป็นบาวก็เลยมีเครื่องอันนี้เราเครื่องนี้เข้ามาเพื่อเป็นเครื่องไข่เครียดกันไปถ้าเป็นพระเนี่ยอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านต้องมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ของท่านต่างกับ ชาวบ้านเครื่องอยู่ของเขาก็เครื่องตนตรงดนตรีอผายเครียดนะแต่พระที่อยู่ในป่าองค์พงไพรท่านไม่มีดนตรองดนตรีมีแต่เสียงนกสัตว์ต่างๆมาแมลงต่างๆเป็นดนตรีให้ท่านท่านก็ไม่ได้ถือว่านั่นคือเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ แต่ท่านก็อยู่ในป่าดงพงไพยท่านดูจิตดูใจของท่านอันนั้นคือเรื่องของพระพอทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจถ้าใจให้มีกำลังใจให้หนักแน่นใจให้มีกำลังท่านั้นละทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนจะเข้ามาหาสิ่งที่เป็น เรื่องอภิโมงคลจะเข้ามาหาก็เข้ามาหาไม่ได้เพราะเพราะเรามีกําลังกว่าถ้าใจของเราอ่อนแอมีอะไรเข้ามากันลมลุกคุกคลานพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเหยียบย่ําทําลาย จ, จิตใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอยู่ได้ต้องมีกําลังอย่างรถ ของเราเนี่ยถ้าเดินไปรถไม่มีกําลังรถไม่มีกําลังเป็นยังไงหมดสภาพร่างกายของเราไม่มีกําลังเป็นยังไงก็ทนไม่ไหวสิ่งไหนก็ตามต้นไม้อะไรก็ตามมันขึ้นไม่มีกําลังที่จะขึ้นหลายหลอย่างถ้าเราอ่อนกําลังแล้วเป็นไปได้ยากอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ มาพิจารณาถึงทำทำคำสั่งสอนของท่านท่านก็ว่าทาทุกอย่างที่มีกำลังพระคือทำที่เป็นกำลังพระคือคือพระคือพลังพระคือทาที่เป็นกำลังห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านต้องมีกาลังอันดับแรกก็คือศรัทธาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบาปทําบุญกรรมคือการกระทําถ้าว่าเราเชื่อในการกระทําของเราถ้าเราทําดีแล้วเราไม่ต้องไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทําไม่ดีแล้วเราจะไหวบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้มาช่วยเราก็ไม่พ้นจากความชั่วอย่างเราไปป้นไปฆ่าไป ทบไปตีเขาอย่างไงเราจะไหวบอนสิงซักสิทธ์ขนาดไหนถ้าคนรู้คนเห็นอีกสักวันหนึ่งถือใครจะไม่รู้ไม่เห็นใจของเราก็เกิดความรุ่มร้อนอยู่ในจิตในใจอยู่อย่างนั้นถ้าว่าคนรู้คนเห็นเขากระจับเข้าคุกเขาตารางถือว่าเป็นคนชั่วอันนี้ก็คือศรัทธาคือความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือทำคือการกระทาอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทำไม่ควรพูดแล้วก็ไม่ควรคิดอีกต่างหากศรัทธานี่คือความเชื่อถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อก็เหมือนกับคนหมดสภาพคนชังกระตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่มีความเชื่อ แต่ถ้าว่าเชื่อไปทุกแห่งทุกคนมีอะไรก็เชื่อไปหมดหปุกปักถูกปักเทียนขอไหวบอนเทพเจ้าเราเทวาไม่มีเหตุไม่มีผลอันนั้นจัทาอย่างนั้นก็นดูดรู้ลก็งมง่ายถ้าผู้มีปัญญาเห็นแล้วก็น่าเกลียดเพราะว่าศรัทธาไม่มีปัญญารอบคอบไม่มีเหตุไม่มีผลศรัทธานี่ก็ เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ให้โทษและ ใ, ให้คุณด้วยวิริยะก็เหมือนกันธรรมที่เป็นกําลัง5้ายอย่างศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาผม พ, พูดให้ยาวนี่คือพละคือธรรมที่เป็นกําลังหยอย่างศรัท ธ, ธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างวิริยะเพียรมีความพยายาม อย่างเราเป็นแพทย์เป็นหมออย่างนี้เราคนวิ ช, ชาเนี่ยแหละดีแล้วโลกทั้งโลกเขยอมรับเราก็พยายามเพียนพยายามถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเราก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เพราะว่าชีวิตของเขาชีวิตของคนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเราไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าชีวิตในเมื่อเรา เอาชีวิตของเขามาแขวนไว้กับเส้นได้ปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยไม่ได้สนใจไม่ได้ใช้ความพยายามความภาคเปลี่ยนที่จะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็ไม่ถูกวิริยะมีหลายอย่างวิริยะคือทางด้านจิตใจด้วยใจของเราความประพฤติของเราอย่างพวกเรามาอยู่ป่าดงพงไพยอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายาม เราก็อยู่ลำบากเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีความเพียรมีความพยายามเราอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรครูบาอาจารย์ท่านอยู่ได้อย่างไรเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความบุรสาหะวิริยะพยายามศึกษาพยายามพิจิตพิจัยพยายามตะเกียกตะกายหาช่องทางที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น อันนี้ก็คือวิริยะคือความพยายามความพักเพียนอย่งความเพียนถ้าเพียนไปในทางที่ชั่วช้าลามกเพียนไปในทางถำ่ำหลบหลบปลีกปกเลี่ยงเลี่ยงอย่งกลัวหมูกลัวเพื่อนกลัวครูบาอาจารย์เห็นกลัวคนทั้งหลายเห็นแต่ตัวเองไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปทําความชั่วอันนี้ประกอบเพียนไปในทางที่ผิดเออไม่เพียนไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ว่ามีเรามีความเพียรพยายาม ไปทางที่ถูกต้องอันนั้นว่าเป็นมัชเป็นทางที่ถูกต้องเป็นธรรมไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราเพียนพยายามไปในทางชั่วชา้าเสียหายและมีแต่ความเดือดร้อนความหายยะจะเข้ามาพาเราไปทางตกต่ําอันนี้เรียกว่าวิทยะเพียนไปในทางที่ไม่ชอบเพี้ยนไปในทางที่ไม่ถูกสติ สติต้องกำกับอยู่กับตัวเองให้มีสติในการเคลื่อนไหวถ้าคนขาดสติมากๆก็คือคนคนนั้นแปลว่าคนเป็นคนที่เรื่อนรอยเป็นคนที่ขาดสติเป็นคนที่หาความสวยงามไม่ได้คนขาดสติเหมือนกับคนบ้าเพราะนั้นสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสติจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกหัดถ้าเราไม่ตั้งต้นเราไม่พยายาม การที่จะฝึกขัดสตินั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่าว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้ฝึกให้เอาสติอยู่กับตนเองอย่าให้เผลอพยายามบังคับไปถ้ามีสติดีแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิถ้าว่าสติของเราไม่ดีติตที่จะเป็นสมาธินั้นไม่มีทางาสติของเราเลื่อนลอยเออละเหยลอยลมเหมือนกับว่าเชือกขาดอย่างนั้น จิตจะเป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสมาธิถ้าสติภาคปฏิบัติว่าสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้ตั้งสติสติสัมปัญญะเป็นของคู่กันมาเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิดีแล้ว พิจารณาไตรตรองจะรอบรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดเพราะออกมาจา ก, กจิตใจเพราะนั้นปัญญาใช้ในที่ทุกสถานเราไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าขาดปัญญาเสยอย่างขาดความรับผิดชอบขาดปัญญาเสยอย่างคนนั้นก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ เพราะท่านท่านจริงว่าพระคือธรรมที่เป็นกำลังห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้กำลังพระห้าอย่างคล้ายๆว่าเป็นพลังพลังหานกันนะศรัทธาวิาาวริย์สติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้ธรรมะ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้นำมาพิจารณาดูแล้วมาใช้กับตนเองแล้วมีประโยชน์อย่างศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่เชื่อแล้วจะมาอยู่ป่าดวงพงภัยจะมาอยู่ได้ยังไงข้าวคนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์ได้ไม่ใช่ประโยชน์อยู่แบบไม่เชื่อคนแบบไม่เชื่อกเหมือนกับข้าวหอดช่อง ไร้น้ำกะทิอย่างนั้นน่ะเหมือนขนมเส้นไร้น้ำยาอย่างนั้นน่ะเออมันไม่มีรสมีชาติคนไม่มีศรัทธาถ้าคนมีศรัทธาขึ้นมาในจิตใจแล้วมองเห็นสิ่งไหนเออที่สิ่งที่ไม่รู้เราพยายามทําใจทําตัวของเราศึกษาในสิ่งนั้นมีศรัทธาแล้วนี่เชื่อแล้วนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นตัวตนจริง พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้จริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงเปัญญาในก็ทําจริงศึกษาดูแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ได้เลอะแหละพูดจริงทําจริงเนี่ยปฏิบัติคงเส้นคงวาอันนี้คือศรัทธาคือความเชื่อในจิตใจเมื่อมีศรัทธาแล้วก็พยายามวิริยะคือความเพียรพยายามให้เดินตามแนวแถวที่ พระพุทธเจ้ากูบาลยา์ท่านแนะนำสั่งสอนนี่แหละวิริยะจากนั้นสติสติเข้ามากากับดูตัวเองจากนั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วกับปัญญารอบรู้แยกแยะในการเป็นอยู่ของเราเมื่อเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไร หน้าที่ของพระในขณะนี้เราทําตัวอย่างไรในเมื่อเราไปเป็นฆราวาสของครวาสหรือว่าคราวาสธรรมการเป็นอยู่ของคราวาสต้องทำตัวอย่างไรถ้าเราไปทําตัวไม่ดีกินเหล้าเมายาบเป็นนักเลงหัวไม้ไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชุมชนและสังคมยอมรับไหมถ้าเขาทําอย่างนั้นมาทําให้แก่เราเ อ, อเรายอมรับไหมเราก็ยอมรับเขาไม่ได้ ในเมื่อเราทำสิ่งที่ชั่วช้าแล้วมกพ่อแม่ยอมรับใหมเมื่อเราเป็นพ่อแม่ถ้าลูกอย่างเราเกเรอย่างเราเราจะยอมรับเราไหมต้องคิดดูให้รอบคอบท่านคิดดูให้รอบครอบใช้ปัญญาคิดให้รอบคอบให้รอบรู้แล้วเราจะอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่านับถือน่ายกย่องมองดูแล้วก็สวยงาม ไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนและสังคมเข้ากับใครได้หมดเข้ากับเด็กก็ได้เข้ากับหมาก็ได้เข้า ก, า ก, กับแมวก็ได้เข้ากับคนชั่วช้าก็ได้ต้องวางตัวถ้าว่าคนชั่วช้าคนที่ไม่ดีเราก็พยายามหลบหลีกอย่าไปคบคนชั่วภารชนแต่พอที่จะช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลเขาได้เอาช่วยแต่พอที่สิ่งที่ดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้อันนี้รู้จักหลบรู้จักหลีก รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนี่สุภาษิตโบราณที่เขาแต่งเอาไว้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนกกาอาศัยซึ่งปีขางไปสู่ทางที่ผสมจงดังหมายถ้าเรารู้จักหลบรู้จักหลีกแล้วชีวิตของเราก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่พวกเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกซื้อบื้อไปเรื่อยอันนั้นก็อยู่ในอาชีพไหน ก็ไม่ราบรื่นทั้งนั้นเป็นอาชีพของพระเป็นพระก็เป็นพระที่ไม่ราบรื่นเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ราบรื่นเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่ไม่ราบรื่นเป็นหมอก็ไม่ราบรื่นเพราะเหตุไรเพราะเราขาดทำทั้งหอย่างอินทรีย์ห้า เพรานั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ผมก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนําไปคิดนําไปพิจารณาพรลังคือทำที่เป็นกําลังห้าอย่างต้องมีกําลังทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกําลังถ้ากําลังอ่อนแอกําลังพอแนกําลังปูกเปียกไม่มีกําลังแล้วดูทุกอย่างก็แล้วกันสัตว์ไม่มีกําลังเป็นยังไงรถไม่มีกําลังเป็นยังไงคนไม่มีกําลังเป็นยังไง เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าทำที่เป็นกำลังคือว่าเป็นหัวหอกหรือเป็นแนวหน้าหรือเป็นที่จะต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประชิญหน้ากับโลกทั้งโลกคืออะไรศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีวิทยะพยายามเพียรพยายามคนเราต้องมีความเพียรการเรียนหนังสือทางว่าเราอ่อนแอถ้าเราไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรเรียนก็ไม่จบ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทั้งนั้นแหะเพราะขาดวิริยะคือความพยายามความเพียรถ้าขาดสติก็เหมือนกันจิตติที่เลื่อนลอยแล้วหาจุดยืนไม่ได้เป็นบ้าได้ง่ายๆคนที่ขาดสติมากๆคนที่ขาดสติมากไม่ใช่อื่นไกลคือคนเป็นบ้าอันนี้ก็คือสติสมาธิเมื่อกิจใจที่คนเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจหนึ่งจิตใจสบายรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสิ่งไหนที่ควรไม่ควร ก็จิตเรานิ่งเรามองเห็นได้เหมือนกับเรายือนอยู่กับที่เนี่ยอันไหนจะเข้ามาหาเราเราก็มองดูได้ถ้าว่าจิตใจของเราโลนเลยกระสับกระสายอยู่เราจะมองไม่เห็นสิ่งดีสิงชั่วคนที่ไม่มีสติมากๆนี่แหละสมาธิถ้ามีสมาธิดีเราก็จะมองเห็นนะรอบด้านของเราแล้วก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารร่างกายสังขารของเรามีอะไรบ้าง ผู้ที่อยู่รอบข้างของเรามีอะไรบ้างพ่อแม่ควรทำยังไงลูกเต่าควรทำยังไงสามีพัญญาควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่ามีทำทั้งห้าอย่างนี้อยู่ในใจของเราอยู่ตลอดไปว่าพวกเราก็จะมีกำลังมีพลักษ์มีกาลังการวางตัวและการปฏิบัติตนก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นในชีวิตของพวกเรา วันนี้ผมให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆท่านนะตอนนี้ไปรับผ่อน